2. ทุติยปาราชิกสมุทฐาน 259. ศสิกขาบทว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้สิกขาบทว่าด้วยการพรากกายมนุษย์สิกขาบทว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการพูดเกี้ยวหญิง สิกขาบทว่าด้วยการใช้บำเรอความใคร่ของตนสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเครืองมีโทสะใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเครืองมีโทสะอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นอเนยตะสิกขาบทที่สอง จีวรอัจฉินธนะสิกขาบทว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอาคืนปริณตะสิกขาบทว่าด้วยการน้อมลากมุสาวาทะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเท็จโอมัสวาทะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเสียดสี เปสุญยะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวส่อเสียดทุทุลลาโรจนะสิกขาบทว่าด้วยการบอกอาบัต ช, ชั่วหยาบปะทวีขนนะสิกขาบทว่าด้วยการขุดดินภูตะคามะสิกขาบทว่าด้วยการพรากผู้ตะคม อัญญาวาทกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลือ่อนอุชชาปณ ะ, ะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษนิกกันธนะสิกขาบทว่าด้วยการฉุดลากออกสินจนะสิกขาบทว่าด้วยการเอาน้ำรดหญ้าและดินอามิศสิกขาบท ว่าด้วยการสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิตพุทธาวีสิกขาบทว่าด้วยภิกษุฉันแล้วเอหิสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนว่ามาเถิดอนาธริยะสิกขาบทว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อต่อคําตักเตือนพิงสาปะนะสิกขาบท ว่าด้วยการทำให้ตกใจอปะนิธานะสิกขาบทว่าด้วยการซ่อนบริขารชีวิตะสิกขาบทว่าด้วยความจงใจปลงชีวิตสัตว์ชานะสัปปานะกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุรู้อยู่บริโภคน้าที่มีสัตว์มีชีวิต กรรมศิขาบทว่าด้วยการรื้อกรรมขึ้นมาพิจารณาใหม่อุณวีสติวัตสศิขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุย่อนกว่า20ปีสังวาสศิขาบทว่าด้วยการอยู่ร่วมกับภิกษุที่ถูกสง์ลงอุเขปนียกรรม นาสนะสิกขาบทว่าด้วยสมนุตเทศชื่อกันตกะถูกสงนาสนะสหธรรมมิกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรมโดยชอบธรรมวิเลคณะสิกขาบทว่าด้วยความยุ่งยากแห่งสิกขาบทโมหณะสิกขาบท ว่าด้วยการทําให้ผู้อื่นหลงอะมละกะสิกขาบทว่าด้วยการใส่ความด้วยอาบัตสังคาทิเศษที่ไม่มีมูลกุกกุจจะสิกขาบทว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญทำมิกะสิกขาบทว่าด้วยการให้ฉันทะเพื่อกรรมที่ถูกต้อง จีวรทัตตวาสิกขาบทว่าด้วยการให้จีวรแล้วติเตียนปรินามนะสิกขาบทว่าด้วยการน้อมลาบที่เป็นของสงไปเพื่อบุคคลกิณเตสิกขาบทว่าด้วยการทำอะไรท่านได้อากาลสิกขาบท ว่าด้วยการอธิษฐานอาการลจีวรเป็นการลจีวร อ, อัดฉินธนะสิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวรแล้วชิงเอาคืนทุกขะหิตะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าใจผิดนิระยะสิกขาบทว่าด้วยการสาบแช่งด้วยนรกคณะสิกขาบท ว่าด้วยการทำอันตรายแก่จีวราลาบของคณะวิพังคะสิกขาบทว่าด้วยการคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบธรรมทุพพลสิกขาบทว่าด้วยการหวังจีวรที่เลื่อนลอยกะถินะสิกขาบทว่าด้วยการคัดค้านการเดาะกะถินที่ชอบรม อาาสุสิกขาบทว่าด้วยการก่อความไม่ผาสุกอุปัสยะสิกขาบทว่าด้วยการให้ที่อยู่แล้วฉุดลากออกอกโกสะสิกขาบทว่าด้วยการด่าภิกษุจันดีสิกขาบทว่าด้วยการครึ่งเทียดบริพาทคณะ มัชชรีสิกขาบทว่าด้วยความหวงตระกูลคัพพินีสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สตรีมีคันปายันตีสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้มีลูกยังดื่มนมทเววัตส์สิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาผู้ยังไม่ได้ศึกษา และผู้ยังไม่ได้ศึกษาธรรมหข้อตลอดสองปีขิหิบขตาสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สตรีที่มีครอบครัว3าสิกขาบทกุมารีภูตะสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้กุมารี3าสิกขาบทอูณะทวาทสวัตสะสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาต่ากว่าส2องเป็นประวัตินีอสัมมตาสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบส2องเป็นประวัตินีแต่สงยังไม่ได้สมมุติอลันตาวะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีที่สงห้ามว่าอย่าเลยโสกาวัสสะสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุณีผู้ทำชายให้ระทรมโศฉันทะสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขานาด้วยการให้ปาริวาสิกะฉันทะอนุวัตสร ส, สิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขานาทุกๆุกปีวัตสร ส, สิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขานาปีละสองรูป รวมสิกขาบทเหล่านี้เป็น70สิกขาบทจัดเป็นสสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาเกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกายและเกิดทางทวารทั้งสเหมือนทุติยปาราชิกสิกขาบทฉะนั้นทุติยปาราชิกสมุดฐานจบ